ขอกราบราวะพระราธนัดรล่อยปราบประตำผสมขอเคา ร, รพสมโพธิคำเขียนแล้วก็คือบาจารแล้วก็ขอาการาบคณะสมแล้วก็เฉลิมพรอมแม่ชีญาติโยมทุกๆท่านก <c oughs> ็นั่งสบายๆแล้วกันนะครับก็ต่อมาก็ ก็คิดว่าเป็นผู้ที่โชคดีคนนึงเพราะมาพบกับสินที่ดีสินที่มีค่าสูงสุดก็คือว่าพุทธศาสนาอรรมากออร่อยคนนี้ก็รับรองได้ร0อปเซ พุทธศาสนาที่พุทธประพฤติเจ้าก็สัน2สอไว้ก็ได้เสืบต่อมาซอมปัน 500, 600ป่นห้าร้อยหกร้อยปียังมีชีวิตชีวาอยู่ ยังมีค่ามาก ย, ายันยิ่นเพราะว่าสิ่งที่สำคัญของชีวิตของเรามนุษย์ทุกๆคนก็ได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติก็จะแก่ปังหา ได้ทำเลื่อนจิตใจทำพังหาสังคมก็ได้เมื่อกี้ก็อาจารย์สมชิงก็นน้นก็บอกว่าป ร, ประเทศญี่ปุ่นนี้ก็มีของค่าตัวตายกันหลายในโลกนี้ก็ ก็มีโดยเออเชียก็มากตอนต้นที่ได้ยินเขา ว, ว่าของเกาหลีประเทศเกาหลีมีเป็นมากที่สุดในโลกของค่าตัวตายอัตลาเนาะอัตลาค่าตัวตายกันประเทศญี่ปุ่นก็ดับสามันดับสี ก็มากพอสมควรวันหนึ่งก็สามค น, นก็นับวันวันหนึ่งก็ร้อยคนตอนที่อธตมาคำลัำพูดท่างท่านหลายฝันทมก็คนก็คาคาตัวตายกันอยู่ก็นั้นนอกจากนั้นก็ ค่าตัวตายยันโลด ก, ก็10เท่านะ10เท่านี้ก็มากนับเป็นวันหนึ่งก็คนที่รอนือค่าตัวตาย1พังคนในประเทศเดียวตอนตอนที่ออตมาได้ยินว่าถ้าเปรียบเทียบกับคนไทยประเทศไทยก็อาตราแอรเฉลี ตลานี่ก็ที่ญีปุ่นก็สีเท่าและที่มาแต่ก็อาจจะมีคนในเมืองหรือว่าจะมีคนจนบทก็มีบ้างแต่ว่าจะมีคนที่รถจมตายอะไรกันอาจจะมากกว่า ในที่ญี่ปุ่นนี้ก็ลดจนทายนี่ก็ไม่มากหรอกปีนึงก็5ปัง6ประมาณ5้าปังคนก็เปรียบเทียบค่าตัวตายก็6เต้าเจเต้าคนที่เป็นอายุ20 30สามสิบ ก็มีสาเหตุที่ทำให้ตายมากที่สุดก็ของค่าตัวตายมากกว่ารถจนตายหรือว่ามากกว่าคนที่เป็นโรคตายส่วนมากก็ก่าตัวตายกันก็เพราะอะไรก็แน่นอนความทุกข์ทุกข์ใจ ก็แต่แต่ว่าแต่ก่อนนี่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะธรรมาก็คิดว่าแต่ก่อนนี่ก็ความคิดก็ไม่ได้พลัน ม, มากเท่าปัจจุบันนี้สมัยก่อนนี่ก็ก็เมืองเข้าสารก็ยังไม่มากแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไร ก็ได้แต่ว่าตอนนี้มีการยุ่งอะไรต้องคิดเรื่องนง่งเรื่องงานมากมายไม่หยุดก็เลยมันก็เหมือนกับว่าเป็นรถที่เป็นมีพลังมากทุกกลงทุกกลงก็อยู่ในสมองก็มีรถ แต่ก่อนนี่ก็รถเป็นจักรยานรถเป็นโมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นรถจองกันก็มาก่าดไม่ไม่ได้ตายก็ได้อาจจะบาดเจ็บน้อยนอยแต่ตอนนี้ก็เป็นรถที่วิ่งเร็วถ้าเรากวบคุมรถไม่ได้ก็ก็ จองกันตายได้อันนี้ก็ที่ยิทธิ่นตอนนี้ก็เป็นใบกับกีกอนรถก็ต้นเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติการมีกฎจราจรก็ไม่ก็มีปัญหา คนทีเรียบรัมีระเบียบเรียนรู้อยู่แล้วว่าจะยังไงจะกลับรถยังไงแต่ว่าเสียดายยังไม่มีโอกาสที่ับจิตใจก็ได้ จิตใจกบกลุ่มไม่ได้ไม่มีกฎเป็นศีลก็หล่นทางไปกันแล้วก็มีอะไรปัญหาเกิดขึ้นจะแก้อย่างไรก็ไม่รู้อาจจะสแงหาเงินทอน หรือว่าเป็นของสิงของเป็นอหาที่เป็นสาระก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ดินคิดมากก็อาจจาะมีปัญหา ถ้าเราก็รู้จักคิดรู้จักใช้ความคิดให้รู้เท่ารู้ทันไม่เมาในความคิดเตินตัวไม่ไม่หลับจิตใจก็ไม่หลับแล้วก็ มันเตือนเตืออาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็รู้เท่ารู้ตันกลับมาอยู่กับตัวเราก็เลือกเอาความคิดไปถูกทานพระพุทธเจ้าก็สอนดี2 อริยศส4ก็ดีหรือว่าปฏิจสมประวาติี้ก็ทำให้เรารู้ว่าจะแก้ไขยังไงปังหาเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนเราก็แก้ไขรักษาได้อยู่ที่ไหนก็สอนให้ แล้วก็มีกรรมอดีดก็จะสัมปัสกับสิ่งของด้านนอกหรือว่าด้านในปรากฏการอยู่ที่ด้านนอกหรือว่าจิตใจที่เคลื่อนไหว เราก็ให้รู้เดินตัวตอนที่สําคัญนี้ก็ตอนที่เกิดเป็นเวทนาเวทนาความทุกเวทนาความสุขเขาเรียกว่าทุกขเวทนาสุขเวทนาหรือว่าทุกขามาสุขเวทนาเอาสัมปัตเป็นพัสสะ ก็อินทรีย์เราสัมปัสกับอินทรีย์ก็สัมปัสอารมณ์ทั้งหกยานแล้วก็ก็เห็นแล้วก็ก็เกิดเวทนาว่าสวยว่าไม่สวยได้ยินเสียงก็ มาไละก็มึมบอกโหมึมบ่ายมันทุกข์ใจบันทีก็มันล้อมสัมผัสแล้วก็เวทนาทางความทุกข์บานทีกอดกาตีอากาศพอเหมา ะ, มะ ก็เป็นธนาก็สศึกใจอันนี้ก็ดีที่ทำให้เราก็มีความรู้ด้านนอกแล้วก็เป็นอาคารนั่งเกิดขึ้นนั่นที่ก็เจอปบกับ ใจเป็นสัญญาก็ดีหรือว่าความคิดก็ดีก็เกิดทุกข์เกิดสุขเหมือนกันแต่ ว, ว่านี้ก็ต้องยอมรับเราไม่ต้องสู้กับมันว่าทุก ตามเวทนาก็จะสร้างเรื่องสร้างเรื่องเลาคิดปรุนเตนบานทีก็ตัวเองไม่ดีตัวเองไม่เก่งก็ตำหนิอันนี้ก็เป็นจิตปรุนเตน อันที่ก็ว่าด่ากนนี้ก่อนนั้นทำให้เราทุกข์มันมีความโกรธเกิขึ้นอันที่ก็มีเบทธนาความสุขแล้วก็เราก็เผลอไปเผลอในอารมณ์ต่ตางๆรูปรสเสียนอตัะปะ ทำมาอ า, ารมณ์ก็ดีมันเผลอไปมันเป็นท่าขมมันจินตนาเวทนาเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณทำให้เราว่าร่างกายกำลังปัดเชิญสิ่งอันตรายบ้าง แจ้งว่าไฟฟ้าอยู่ที่ด้านหลังของเราก็ลู้สึกร้อมเราก็หนีไปได้กังลังกายก็ปลอดไปหลีกเลี่ยนจากอันตรายได้บางทีก็ความชิ้ว มันก็ทุกเวทนาอย่างหนึ่งก็ให้กินข้าวกําลังกายก็อยู่ได้ถ้าเราถ้าเราไม่รอ้อนไม่เจ็บไม่หิวก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับร่างกายของเราก็เลยมันก็ ดีเวทนาทุกก็ดีเวทนาสุขก็ดีแต่เวลาเราก็ไม่รู้ตัวแล้วอาจจะเป็นเวทนาไม่ใช่เป็นความรู้ทําให้อ่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเกิดทุกข์ได้เพราะว่าเราก็ เกิดทางหาอุปทานทังหาอุปาท า, ปานก็เกิดผู้ง่ายๆก็เป็นราคะเป็นโทสะโมหะถ้าเป็นความทุกขเวทนาเราไม่รู้ตัวจิตปุ่นเต็มไปแล้วทังหาอุปทานอยากงี่อยากนั่น ไม่ปล่อยได้แล้วก็สินติถุตชน<ม>เป็นทุกขเวทนาแล้วก็โมโหเร้ยจาริสยาก็เป็นตังเท้าปฐานไป ถ้าแปลงตุกำสุกเวธนาก็ความหลมนไม่รู้ตัวแล้วก็ซึมๆแหงวนนองจิตใจหออูโอแฮก็เป็นตังหาประทานเป็นพบเป็นชาติของเราตัวว่าเป็นตนของเรา ก็เป็นเป็นผู้เป็นแล้วไม่ใช่เป็นผู้เห็นแล้วเป็นธาตุของมันมันเวทนาก็เป็นเจ้าของของเราทำให้เราไปนี่ไปนนแล้วก็เป็นความคิดจิตปรุนเตนด้วยวความโกรธ ความอยากนี่ก็เป็นเจ้าของของเราของเราก็ไม่มีอิสระทำอะไรก็ทาตา ม, ตามอารมณ์ทาตา ม, ตา ม, ตามความคิดอันนี้ก็เป็นใช่ไม่เป็นแล้วก็เราสิ่งที่หวังสิ่งที่ ปรารถนาไม่ได้รับสิ่งนัน่ก็เป็นทุกข์ก็ทุกข์แน่นอนนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นี้ก็ความอยากและจริงๆแล้วความอยากเกิดขึ้นก็เราก็ยังแ ก, ก้ไขได้ถ้ารู้เท่ารู้ตัน ก็ไม่ได้เป็นติดกับมันถ้าเป็นติดนี่เป็นอุปทาน mm. ก็ยังยากมากกว่าตอนที่เราเกิดเวทนาตั้งหาเกิดขึ้น mm. ก็ยังแก้ไขได้ช่วนนี้แต่ว่าเราก็เป็นติดอุปทานพบชาติแล้ว เราก็แกมียากเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นงานเจริญสติพระพุทธเจ้าก็สนสันสองไว้ให้เป็นสติให้รู้เตารู้ทันก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นได้เราก็เลือกได้ ว่าเราอยากจำเป็นคนทุกข์หรือว่าไม่อยากจะเป็นคนทุกข์งานกระตำก็ดี่าจะผู้ก็ดีหรือว่าคิดอะไรก็ดีถ้าเราคิดเป็นผู้เป็นตมเป็น ก็ทำให้มีชีวิตของเราก็งอกงามรถย่องก็เหมือนกันถ้าเราขับรถไม่เป็นอาจจะเป็นรถจอตายกันทุกแต่ว่าถ้าเราใช้รถให้ประโยชน์ก็มันสะดวกสบายแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ ความคิดก็เหมือนกันแต่เราก็ยอมรับเวทนาและก็ควบคุมความคิดของเราเองไม่ให้ทำเป็นความทุ์เอาความคิดก็หวางแผลได้หรือว่าเอาความคิดก็บทเรียนอดีตที่เราทำผิด อาจจะเป็นสัญญาสัญญาก็เกิดขึ้นตอนที่เราทำปิดแล้วก็ไม่ได้สำเร็จการาก็เป็นบทเรียนที่ดีเราก็เอามาใช้ให้เป็นสำเร็จต่อไปแต่ว่าถ้าเรารู้ไม่ทัน เรื่องอดีตที่เราทำนี่ทำอย่างนั้นทำงานไม่สำเร็จก็เจ็บใจแล้วก็ว่าตัวเองว่ากนนีกรณนั้นก็ดินทุกข์ก็มากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าใช้ความคิดไม่เป็นเรื่องอนาคตก็เหมือนกันเรื่องอนาคตมีอะไร กถ็ถ้าเรารู้ว่าความคิดที่เรากำลังจะสร้างกำลังจะคิดนี่เลยทำให้เกิดอนาคตเรื่องอนาคตว่าเพ็งพวงกำบวนใจนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอนาคตจริงๆแล้วก็กำลังพูดในใจ กำลังสร้างภาพในใจในปัจจุบันนี้ก็จะแก้ไขได้ปัจจุบันนี้แล้วก็เลือกว่าเป็นสิ่งที่เป็นวามแผ น, นแล้วก็ทำเตรียมตัวในการก็จะจะสำเร็จในอนาคตได้ แต่เราก็คิดกรรมบนใจคิดเรืเราซ่านี่ซ่านนั่นก็จะทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้นเป็นหวนเป็นอะไรมากขึ้นและจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้เราความทุกข์นี้ก็ทำด้วยต่องเอนในปัจจุบันนี้เป็นการกระทำของเราเอง ไม่ใช่ด้านนอกไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตก็ทำลายเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเราสร้างขึ้นมาเอนสร้างในปัจจุบันนี้แองมันเป็นเคยชินเป็นกรรมแต่เราก็ออกจากกรรมได้ ออกจากความเคยชิงของเราเองได้เพราะว่าเราก็เริ่มต้นในปัจจุบันนี้ได้ถ้ามีสติชีวิตของเราเป็นเลือกได้ความคิดนี้ก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของของเราเจ้าของเป็นเราเอาความคิดมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตต่อสังคม สิ่งที่สำคัญนี้ก็คนที่กล้าตัวตายจินจินาวไม่จำเป็นต้องกล้าตัวตายให้จบเรื่องในใจอาจจะว่ากาเรื่องราวของความคิดจบสิ้นไปก็แก้ไขได้ทันที ไม่ต้องทำลายร่างกายของเราแก่เราก็จบเรื่องในใจให้เสร็จแล้วแล้วก็จับเขียนเรื่องดีเรื่องทำให้มีความงดงามของชีวิตของเราและของโลกได้ค่อนที่กำลังเขียนทุกๆวัน ทุกๆนาทีก็ของเราแอนนัน้นแอนเพราะฉะนั้นนี่ก็เกิพวกเราก็โชค ด, ด, ดีอรตมาเองก็โชคดีได้สามตัดความจริงที่พระพุทธเจ้าสังส่งไว้ให้เป็นทำให้ เกิดปัญญาทำให้แม่ตาการุณาจิตของเราเกิดขึ้นก็เป็นพืท้ที่ไม่ต้องทุกข์ให้กุศลธรรม ท, ที่งกงามอยู่ที่ใจแล้วก็สร้สางสังคมที่ดี เป็นเพื่อนที่ดีกรอบครัวที่ดีเป็นกอที่เป็นประเทศชาติที่ดีนะครับก็คิดว่าพอสมควร เ, เวลาก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆกลมมีความสุขความเจริญด้วยอายุวันสุขภาระจากการเจริญสติเจริญปัญญาของ ทรงสมสำเร็จพระพูทธเจ้าต่อไปก็ให้มีกล้ามสูกถึงหมักพรนญี่ปานทุกๆตอนตร์